การพัฒนามนุษย์มีแหล่งใหญ่อยู่ในมโนกรรมจุดสำคัญนี้ถ้าพลาดไปก็คือช่องทางใหญ่ให้หายนะเข้ามาได้พูดแล้วว่ามีทวารคือช่องทางอีกประเภทหนึ่งคือช่องทางของการกระทาได้แก่การแสดงออกทางกายวาจาใจ และเมื่อเกิดมีปัญญาและมีเจตจำนงที่ดีมากขึ้นเราก็พัฒนาการกระทําของเราทั้งสมทางนั้นให้ดียิ่งขึ้นคือมโนกรรมความคิดของเราก็ดีขึ้นวจีกรรมการพูดของเราก็ดีขึ้นกายกรรมการกระทําทางกายของเราก็ดีขึ้นกรรมสามทางนี้ก็เป็นกระบวนการพัฒนามนุษย์ที่ครบวงจร จำไว้อย่างหนึ่งว่าพระพุทธศาสนาถือว่ามนโนกรรมสำคัญที่สุดคนทั่วไปมักเห็นว่ากายกรรมสำคัญที่สุดเพราะถึงขั้นลงมือลงไม้เอาอาวุธไปฟันไปฆ่าเขาได้แต่ขอให้พิจารณาดูหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ากามุนาวัตติโลโกโลกคือสังคมมนุษย์เป็นไปตามกรรมนั้น เงื่อนไขนี้มาจากมโนกรรมเป็นสําคัญโลกนี้ทั้งโลกไม่ใช่ถูกขับเคลื่อนด้วยกายกรรมเป็นใหญ่แต่มันมาจากมโนกรรมกระบวนการรู้สึกนึกคิดเชื่อถือในใจของคนนี่แหละเป็นปัจจัยสําคัญเจตจํานวนแรงจูงใจมาจากไหนก็มาจากแนวความคิดมาจากความเชื่อมาจากความยึดถือในค่านิยมหลักอุดมการณ์เป็นต้น ตรงนี้แหละสำคัญที่สุดเมื่อมีความเชื่อมีแนวคิดมีการยึดถืออุดมการหรือแม้เพียงค่านิยมซึ่งทางพระใช้สาบเดียวง่ายๆว่าทิฏฐิถ้าทิฏฐิเป็นอย่างไรแล้วแรงจูงใจเป็นต้นจะมาสนองแล้วต่อไปกระบวนการของกรรมก็ดำเนินไปโดยแสดงออกมาทางกายวาจา ซึ่งเป็นไปตามที่เชื่อหรือยึดถือนั้นยกตัวอย่างเช่นว่าถ้ามนุษย์เชื่อหรือยึดถือหรือมีแนวความคิดว่ามนุษย์จะประสบความสำเร็จชีวิตของเราจะสุขสมบูรณ์ต่อเมื่อมีวัตถุพร่งพร้อมหรือมีเศรษฐกิจมั่งคั่งที่สุดถ้ามีความเชื่อหรือมีแนวความคิดแบบนี้กระแสะวัฒนธรรมอริยธรรมจะไปตามทั้งหมด สังคมจะเดินไปตามนี้ด้วยอิทธิพลของความเชื่อนี้มนุษย์จะมุ่งทำการทุกอย่างเพื่อสร้างความพร่างพร้อมทางวัตถุกระแสวัตถุนิยมจะรุนแรงขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นบริโภคนิยมสังคมบริโภคนิยมก็คือสังคมซึ่งมีฐานความคิดที่เชื่อว่ามนุษย์จะมีความสุขสมบูรณ์เมื่อวัตถุมีเสรพร่งพร้อม กระแสวัฒนธรรมอารยธรรมปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นบริโภคนิยมเช่นนี้เพราะมีทิฏฐิที่เป็นฐานความคิดหรือความเชื่อซึ่งสืบมาจากตะวันตกที่ได้สร้างสารรค์ความเจริญทางวัตถุ ข, ขึ้นมาโดยเฉพาะที่เด่นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมารับใช้สนองอุตสาหกรรมทําการผลิตให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจ ตัวการสำคัญในกระบวนการนี้คืออุตสาหกรรมซึ่งเดิมทีฝรัง่งมุ่งระดมกำลังทำการผลิตเพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนแต่พออยู่ในวิถีชีวิตของการผลิตสร้างวัตถุเป็นนานๆและจิตใจครุ่นคิดมุ่งหมายที่จะมีความพรั่งพร้อมทางวัตถุไปๆมาๆโดยไม่ต้องรู้ตัวฝรั่งทั่วๆไปก็กลายเป็นวัตถุนิยมหรือมีแนวคิดทิฐิ วัตุนิยมเป็นกระแสหลักกลายเป็นแนวคิดทิฏฐิว่าคนจะมีความสุขมากที่สุดเมื่อมีวัตถุเสรบริโภคมากมายพรั่งพร้อมที่สุดแล้วก็เปิดทางแก่ลัทธิบริโภคนิยมความเป็นไปทั้งหมดนี้มีจุดเริ่มที่โยงกับฐานความคิดใหญ่คือความมุ่งหมายที่จะพิชิตธรรมชาติ Encyclopedia Britannica เขียนไว้ในหัวข้อ History of Science บอกว่าเมื่อถอยหลังไปพันปีก่อนโน้นตะวันตกล้าหลังตะวันออกในด้านการปฏิบัติจัดการกับธรรมชาติคือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ด้วยความมุ่งหมายที่จะเอาชนะธรรมชาติจึงทำให้ตะวันตกสามารถล้ำหน้าตะวันออกไปได้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น มีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า A Green History of the World เขียนโดย Clive p o n อ i n g โดยพยายามคบคิดในเรื่องการแก้ปัญหาธรรมชาติแวดล้อมเสียหนังสือนั้นได้วิเคราะห์แนวคิดของตะวันตกให้เห็นว่าอริยธรรมที่ทำให้ธรรมชาติแวดล้อมเสียเนี่ยเป็นมาอย่างไรมีบทหนึ่งเขาได้สืบสาวความคิดของชาวตะวันตกตั้งแต่โซเครติสเพลโตออริสโตเติล จนมาถึงนักจิตวิทยาอย่างซิกมุลฟรอยรัฐบุรุษอย่างฟรานซิสเบคอนนักปรัชญาผู้นำที่เป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ด้วยอย่างเรเนี่ดีคาร์ตลอดจนนักคิดฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ทั้งหมดล้วนมีวาทะที่พูดถึงความใฝ่ฝันหรือความกระหายที่จะพิชิตธรรมชาตินักประวัติศาสตร์โซเวียตคนหนึ่งถึงกับเขียนไว้ว่า ต่อไปเมื่อมนุษย์เจริญด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีธรรมชาติจะเป็นเหมือนขี้ผึ้งอันอ่อนเหลวในกำ ม, มือที่เราจะปั้นให้เป็นอย่างไรก็ได้อีคาร์ก็พูดไวแรงมากเพลโตอริสโตเทลก็พูดแนวนี้ทั้งนั้นนี่คือจุดมุ่งหมายที่นำทางความคิดความเชื่อของตะวันตกมาตลอดเวลา 2,000 กวา่าปีคือความเชื่อและมุ่งหมายใฝ่ฝันว่าเมื่อไรมนุษย์ พิชิตธรรมชาติได้สำเร็จโลกมนุษย์จะพรั่งพร้อมสุขสมบูรณ์เป็นโลกที่เป็นสวรรค์บนดินด้วยความเชื่อนี้ลหละจึงทำให้มนุษย์ชาวตะวันตกได้เพียรพยายามแสวงหาความรู้ในความเร้นลับของธรรมชาติแล้วพัฒนาวิทยาศาสตร์และพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมามโนกรรมคือแนวคิดความเชื่อที่ว่านี้อยู่เบื้องหลังอารยธรรมปัจจุบันทั้งหมด นี่คือตัวอย่างความหมายที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามโนกรรมสำคัญที่สุด